ได้หอกได้เรียกว่าว่าวัดปี๊บแล้วชำนาในการเข้าการออกเช่นเราประตูเช่นนักมวยเวลาจะลุกเขาก็ลุกได้เวลาจะถอยเขาก็ถอยได้เขาไม่เขาไม่เสียเวลาหรืเปล่าครับไม่ไม่เสียเพราะเขารู้จัดวิธีของเขาแล้วไม่เสียเพราะเขารู้จักวิธีของเขาไม่เสียคําว่าถอยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะถอยอย่างนี้เขาถอยสู้เหมือนนักมวยไม่ใช่ว่าเขาจะถอยอย่างนี้อเ ข, ข้าเข้าไปพักแล้วก็ออกพักอีก <entertained S 2> PM, เราหายใจเอาแรงครับคุณครูเราหายใจเข้าเราหายใจออกเราไม่ใช่ว่าเราจะไม่หายหายใจเข้าแล้วแล้วก็หายใจออกหายใจออกเราหายใจเข้าเรามีชีวิตอยู่เขาไม่เราไม่ใช่ว่าเราจะถอยนะในกระการหายใจนี่อันเดียวกันนี้สมมุติเ ข, ข้าเข้าไปทางแล้วออกมาสปมือนแข็งแรงมันมันมันมีกำลังมากก็มีกําลังแต่แต่มัแต่แต่ไม่ไม่ติดเียง <actus S 1> แค่เข้าง่ายก็นะออกง่าย สมมติว่ากินง่ายถ่ายคล่องกินง่ายถ่ายคล่องหลวงปู่แล้อิริยาบถไม่จำเป็นไม่จาเป็นอิริยาบถมันเป็นเรื่องของอิริยาบถมันก็ต้องเปลี่ยนเพราะธรรมดาถ้าไม่เปลี่ยนอิริยาบถไม่ได้ยืนเดินนั่งนอนทำบาปได้ทางนั้นนอนหมายความว่านอนนะครับยืนเดินนั่งนอนก็ทำดีได้เหมือนกันเมื่อยืนเดินนั่งนอนทาบาปได้ยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาได้เหมือนกันหูก็จะเปลี่ยนอิริยาบถรู้สึกวานยยากของผม ตัวใหญ่จะนอน น, อออนะพอพอเปลนนั่งแล้วมันไม่ค่อยแบเข้าออกมันมนอนไว้พรามันนอนันหลับมันหลับเนี่ยเขเป็นเรื่องของมันออจะไม่ให้มันหลับสักทีมันก็ไม่ได้กําลังละ <c oughs> ก็ต้องให้มันหลับสิแต่จะให้มันหลับมากออวันหนึ่งคืนหนึ่งก็สามชั่วโมงหรือสองชั่วโมงพอดีละฮะทําไม่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งหลับนะต่อค่าที่ 8, โอ้มันนอนตายอะนัน่นนะแบบทิพ <c oughs> ไม่ใช่นอนภาวนาถ้าวันหนึ่งคืนหนึ่งทิพย์จังหวงอะไจะไปภาวนาเรื่ไหนี่ยมุ่งมุ่ของผมพอเข้านอนไปแล้วใช่ไหมครับจิตจะไปวิตตกปิจารตามตามตามตา ม, ตามนามไปครับเราเราเราไปรู้อีกที่ไหนรู้อีกตามนามไปแล้วมีสิ่งอะไรออกมานี่็ก็รู้แต่ว่าไม่ได้ให้ความหมายอย่างเช่นว่ามีคนเดินมาคนพูคนฟูเราก็รู้แต่ว่าเรา เราได้ความหมายต่างๆเรามาดัดดวงตกวิจาราเรามีอันนี้คนดีอยู่นอนรับมากเกินไปวันหนึ่งเกินนึงต่อเปียบชั่วโมงอะผมผมเคยเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนนั่งทําไม่ได้แบโอ้ทำาม่ได้ก็ตามเขานอนทําสินอนทําก็อยาให้มันรับสิมันมันมันมันจะหลับไปนิดนึงแล้วเดี๋ยวมันรัคพลุที่มามันจะไปรู้มันไหนมันจะไปรู้มันไปจะรู้ตกวิจารามันก็ได้อยู่เหมือนกันอันนี้เป็น ไม่มีผลไม่มีผไม่มีผต่พราะเขามีเหมือนกันมีนั่งไม่ช้าไม่ช้บางองค์ก็เก่งทางยืนบางองค์ก็เก่งทางนั่งบางองค์ก็เก่งทางนอนบางเอิงบางองค์ก็เก่งทางเดินเราตถาคตได้ทั้งยืนทั้งนั่งทั้งนอนเลยอย่างนี้ถือว่าตั้งเพราะผม มีมีภาคหลายองค์เขาแนะนําผมกันนะบอกให้มันนั่งนะบอกก็นั่ไม่ได้ถนอนถ้นอนเราทำได้ถ้าถ้านอนแล้วว่าเขาเก่งทางนอนเพราะนอนนะครับวามว่านอนได้หรือล่าชวนรับแล้วเขาเป็นเรื่องของหลับเรื่องตื่นตื่นบ่อยครับก็คือสําหรับเราตื่นไม่รู้แต่รู้ข้างในไม่รู้ข้างนอกอืมรู้ท้าไใก็ถูกเพ้ก็มันต่อของมันตื่นแล้วมันก็ต่อของมันเอง ลูกอาเี้ th ับุ้านนติภาคิติรตาปฏิภาคมิตรใมิเทียบเคียงอันนี้เราชัางก็มีเองก็ได้ได้ได้ไหมได้เขาอันนี้จะปฏิภาคมัที่ไหนมันก็เท่าเขาปิภามัน่ไหนมันก็เป็นอันจังทุกครั้งอนัตาเท่าจะไม่ปฏิภาเป็นอันิจจังทุกคังอนั้ตาเท่อเแล้วลูกอย่างนั้นเลยจะปฏิภาคข้าไม่ต้องใสจะไม่ปฏิภาเขันไม่ตงใสไม่ไม่เกิดประโยชน์เลยไงเปเกิดเกิดเพราะเราหัดให้ ของเราทำงานมันเกิดต้อเกิดนคของผมไม่รู้ที่จะจะอบสร้างไปนะของผมอจะทอบสร้างอยชอบยังไงอบสร้างยังไงเราบางทีก็กระตุ้นขึ้นมาเองคิดสร้างคิดวิจัยมาบางทีจะสร้างของพลาดอ๋ออาจารย์นั่นก็บอกว่าเล่นเล่นเล่นนิมิตก็มันจะได้แต่ว่ามันเขาบอกว่ามันมันมันม่คอดีล่นดิมิต นิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายเนี่ไม่ตเว็ที่ไหนก็เป็นที่นั่นนิมิตมาอยู่ใต้อำนาจอันธิจังจะเล่นหรือไม่เล่นก็ไม่สงสัยนิมิตไงนิมิตก็แปลว่าเครื่องหมายหมายไปในรูปก็เป็นรูปนิมิตหมายหมายไปในน้ําก็นามนิมิตนิมิตถ้ามาอยู่ใต้อำนาจอธิจังแล้วจะเล่นหรือไม่เล่นก็ไม่เป็นปัญหาเนเล่นก็ไม่สงสัยไม่เล่นก็ไม่สงสัยแล้วคุณจะเท่าเก่าคุณค่าของมันคุณค่าของมันมีเกิดดับเป็นเท่านั้นนิมิตก็มีค่าคุณค่าเกิดดับ นิมิตมีคุณลูกก็มีคุณค่าเกิดดับนามก็มีคุณค่าเกิดดับเท่านั้นจึงไหนจะเกิดดับเสียงนั้นก็เป็นทุกข์เสมอกันเท่านั้นนั่นหลวงปู่รับกรณีที่ว่าเห็นภายในนี่มันเป็นนิมิตหรือว่าเป็นของดินก็เป็นนิมิตภายในก็เป็นนิมิตภายนอกก็เป็นนิมิตเราพิจารณาภายในดินภายในเราพิจารณาดินภายนอกก็เป็นอันเดียวกันเราพิจารณาเวชนาภายในเวชนาภายนอกก็อันเดียวกันหลวงปู่ะและกรนี้ว่าเอายก ยกท้ายนายมาใช่ไหครับกรัน<า>ที่กิดกลวงเนี้ยติดกลวงจะกระดุ้งเนี่ยในใจเราว่าเรายกขาไม้นี่ครับเอาเอาอ น, นีิมิขาขึ้นมาแล้วติดกลวงกระดุนงในตัวจะลวงแล้วมันก็หายไปแล้วไงจะลุงเพิบอย่างนี้มันก็หายไ ป, นนไปแล้วมันไป็ไปได้ตั้งค์หรอันนี้มีผลยืดยืดครับรมีผลยืดยืด น, นะครับก็มีผลถ้าเรารู้ตามถ้าเราไม่รู้ตามมันก็ไม่มีผลถ้าเรารู้ตามเป็นจริงมันก็ไม่มีผลหลักของมัน จะรู้อะไรมาอะไรสักเพียงไนก็ตามมันก็เกิดดับเป็นเหมือนกันแต่ผู้รู้มันก็ยังเกิดดับเป็นที่อื่นเราไม่ต้องสงสัยละแต่พูู้้มันก็ยังเกิดดับเป็นที่อื่นเราจะไปสงสัยทำไมแต่ผู้รู้อย่างละเอียดมันก็ยังเกิดดับเป็นอันอันจำหยาบมันจะไปอยู่ที่ไหนมันออยู่ใต้อํานาจอะไรฟังเขาเขาเกาะันเองทีนี้ก็ทําัเกหรอเปลาอืมอันเก่าสิจะรู้ละเอียดสักเพียงไหนมันก็เกิดดับเป็นเหมือนกัน เตุฉะนั้นข่านจึงมั่นย่ารูปจิตเจตสิกนิพพานเจรูปจิตเจตสิกเจตสิกธรรมคืออารมณที่เกิดกับใจนิพพานทางหากไม่ไม่นิพพานไม่ใช่ผู้รู้นิพพานไม่ใช่จิตนเราจะไปเอาผู้รู้ให้มาเป็นพระนิพพานเราจะเอาจิตเป็นพระนิพพานมันก็ไม่เจอพระนิพพานละคิดก็เป็นหนทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทำถูกเนาะผมผมไม่สนใจผมไม่สนใจพวนี้พวกว่า บาทีเเขาต้เก่งเก่งก็ตามเก่งผีบ้าเก่งถ้านย่างนีงแต่ว่าเขาเปลี่ยนเจตนาเปลี่ยนก็ตามร่วมทรงหมือนว่าไม่ไม่มีในพระพุทธศาสนาเรื่องทรงเก่งก็ตามเก่งก็เป็นทางโลกีไม่อัศจรรย์ถ้าจะเขาเปลี่ยนเจตนามาเป็นทำนี้เป็นไม่ได้ก็ได้เหมือนกันถ้าเขาเห็นโทษในทางโลกีเขาก็เปลี่ยนว่าเป็นโลกุตระคุณเราจะมาหาโลกุตระเขาพอเห็นโทษทางโลกีนั่นเอง Yeah. คนเราจะมาเป็นคนดีก็เห็นโทษในทางชั่วเป็นดีเนี่ยผมมีญาิคนเขาเขาก็ยามรับวาเขาเก่งเขาาเขามีานมีอะไรนะครับ in ูกเขายอมรับว่าเขาเก่งงานมีแต่ว่าเจนเป็้เาลยชยึดจัวนไปคนทางแต่ก็ทาทาได้ดีผมไม่ต uh ิดผมไม่ติดนะจงเขาสมผมไม่อัศจรรย์ผมอัด ผมมันสําคัญอยู่ว่าอย่าให้กิเลสทรงตัวท่า น, นผีทรงมาเรียกผีมาทรงอันนี้เป็นคิตตนเองกันกแต่ว่าคุณไม่รู้รู้รู้ด้วยันรู้ไม่ันคิดตนเองพ่อตนชอบอย่างนั้นพ่อตนชอบอย่างนั้นมันเป็นโลจีนะมันเป็นเศรษศาสตร์เองพวทรงสองสามส่รก ว, ว่าเอกทัศตาเข้าแรงเอกัศตาเขา้มกำลังมาก มันเป็นหนึ่งเหมือนกัน <c oughs> เขาขับรถเขากจิตเขาก็เป็นหนึ่งเหมือนกันเขาเป็นสมาธิเหมือนกันแต่มันเป็นโลกียะสมาธิ <c oughs> อย่างปรณีที่เขาลุยไฟนี้ก็เป็อะไรอะไรหลวงปุ่นเอกัศน์างก็แรงครับเพราะว่าเขามีสมองเดี๋ยพระเทวะทัศน์เขลุยไฟอยู่ <c oughs> พระเทวะทัศน์เอางูคล้องคอไปพระเทวะทัศน์เอางูคล้องคอไปไปหาพระเจ้าอาชาตัสัตตูเอออันนั้นเป็นชานโลกีถึงอย่างนั้นก็ยังมาเบียดเบียนพระธรรมสัพพเจ้าอยู่มันเป็นโลกี โลกมีเพราะว่าไม่มีอย่างไม่มียาแล้วเป็นเจตนาไม่มีมมยาเพราะจิตมันงุ่นลาบอยู่มากกว่าจะพ้นทุกข์นววะทังสามมันก็เป็นโลกรีสิเพราะไม่กเจตนาจะเขียงดีในลาบยศ ส, สรรเสริญอยู่มันก็ต้องเป็นโลกีสิอืเทวทัตมันหวังอยากจะเป็นพระมาพพุทธเจ้าอยากจะแย่งพระ อ, องค์ออกกากปกครองผมจะปกครองเองหรอกพระไม่ต้องขอให้พระ อ, องค์อยู่เฉยๆไม่เป็นหน้าที่ของเธอ เธอมีขี่เหร่เต็มตัวจะมาปกองยังไงพอรวมบรมศาสตราไม่ให้พ อ, อยังถ้าระยศยานในราบมนยศอยู่จะมาลดตําแหน่งพระบรมศาสดาไม่ให้มีงานอะไรทำพระบรมศาสตรารู้แล้วลูกคณะจิตของคนนั้นมันยังเป็นโลกีอยู่ทัานก็มาให้เพราะทางพุทธศาสตร์มันจบกเกษียณไปเป็น พระพุทธศาสนาจบเสียณเนพระบรมศาสด า, าก็ปกครองสง์จนวันตายไงไม่ได้มองไปส ร, รีบุตรนนไม่ได้มองไปมองกานั่นม่ได้บเสียณไม่ได้เหมือนทางโลกจมดิบทราชาเราเหมือก น, นกันมันมองลูก ร, รกท่านอโอรสของท่าพอวางท่านก็วางไม่พอวางท่านกดเอาไวา้ ปู่ครั้วอย่างกรณีที่ว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนที่แมกหว๋อปูมาอาบวัวที่ว่าทั้นติดสมาธิท่านคือใครใครมันก็ติดเหมือนกันเมื่อมันมาเห็นโทษอันนั้นมันก็ต้องติดเหมือนกันเมื่อเห็นโทษอันนั้นแล้วให้มันติดมันก็ไม่ติดคนเราจะภาวนาเก่งแค่เพียงไหนก็ตามเมื่อภาวนาไปถึงไหนเมื่อมันไปไม่ได้มันก็แอบกินอยู่กับมัน้แล่ะติดอยู่ที่ไหนก็แอบกินอยู่กับที่นั่น มันไม่แอบมันก็ต้องแอบพอมันติดอยู่นันมันคาอยู่นั่นเหมือนรถแต่มันไปมาได้มันก็ต้องคาอยู่นั่นจะไปมันก็ไปไม่ได้จาเป็นก็ต้องคาอยู่นั่นอันเดียวกันคนเราภาวนาเหมือนกันถ้ามันติดอยู่ที่ไหนมันหมดปัญญาเราก็ต้องแอบกินอยู่ที่นั่นไม่เจตนาแอบมันก็ต้องแอบพอมันหมดกําลังอยู่ที่นั่งมันก็แอบกินอยู่ที่นั่งเมือนเราทำไม่ฮะควาัญชี บทีเงียบกลางไม่ตกใส่เข้มใจอะไรเงอธิปการไม่อยู่การไม่ตกการไม่ตกกัดกินสิลกินใจบางทีอธิปกาไม่อยู่ไม่อยู่อธิปการมันไม่ได้อยู่ครับไม่อยู่อธิปการมัไม่ตกการไม่ตกจะอยู่ก็เพราะวิปัสสนาจึงจะอยู่ถ้าเวลาเราเห็น มันเกิดกา ร, รมวรตกขึ้นมันก็เป็นแต่สักว่าเห็นไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลมันอยู่ถ้าเรานล็ถึงอารมณ์เก่าเนี่ยอารมณ์ก็เป็นแต่สักว่าอารมณ์ไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาอดีตที่รู้ไปแล้ว<ม>เพียงอริยภมันไม่อยู่เนาะถ้ามามีวิปัสสนาไม่มีปัญญามันไม่อยู่เพียงอริยภหน้าเดียวแต่ถ้าเกิดทามดูไป มันปกแล้วตรตามดูแล้วตรวจเป็นลักษณลตามดูไปแล้วตรวจวิจกรรมอีงตัวอันนี้ถือว่าเป็ น, า น, านวิั า, ารณ์อันนี้ครับว่ามันนี่คำว่าวิจกวิจาร์มันไม่ตกไปทางกำหนัดหรือมันมีตกปทางวางเลถ้ามันมีตกปลาทางกำหนัดมันก็เป็นอีกอันหนึ่งคําว่าวิจกวิจทกมันเป็นคํากลางมันมีตกไปทางกำหนักมันก็เป็นอันหนึ่งวิจทุกปทางปล่อยวางมก็เป็นอันหนึ่ง ก็บาทีถ้าเกิดว่ากำหนดตามตามดูตามนู้นก็เลถ้ามันน้อมลงถูในธาตุดินโอ้เห็นดินดอกยามาตุนเลยมันก็ไปได้เหมือนกันนี่ก็ธาตุดินนั่นก็ธาตุดินมันย้อนย้อนลงตื้นถั่มบางทีมันช้ายนาดที่ว่าเป็นวิจารณ์นตัวมันก็ตายลักษณะดที่ว่า ปล่อยเลเลยพอพอพอพอมามดกำังก็คนายคลายไปมันเขกหน้าเราเันที่เขียดเขียกได้มันก็ไปสิ <c oughs> <c oughs> มันเขียกร้ายมันได้มันก็ไปซิเพียงเพียงเียงเลยมันเขกเขาจนหน้าบวมแล้วมันก็ไปซิ เรียกว่าสติรังษ่าอันนั้นสติตามาสติตามมาสังสติได้ทันสติรามมาสังแปลว่าสติรังษ่าแล้วมันเอาไปกินแล้วเราหายยาหมองมาใส่ตาหามันเฉกไปแล้วเราหายยาหมองมาใส่ตาหากันแล้วมันไม่ตกความตริตในทางตาม พยาบาทที่ตกความติในทางพยาบาทไม่มีสาวทตกความติในทางเบียดเบียนอันนี้ถ้ามันขาดแล้วก็พระอนาคามีถ้ายังไม่ขาดมันก็ถ้ายันตงมาถึงพระอนาคามีมันก็ไม่ขาดละขาดแลมั ต, มตกพยาบาทที่ตกไม่มีสาวทตกไม่มีในพระอนาคามีแต่พระโสดาบันบอกไปแล้ ว, แ ต, วาาลตแต่พระโสดาบันพยาบาทที่ตกไม่มีแต่ว่าโกดเฉยๆไม่พยา บ, บาท มึงเถอะไม่มีก็ตัวดาวันแต่คำว่าไม่ตัว ข, ของท่านมีแต่ท่านไม่สามารถล่วงและเมิดในชายอื่นยิ่งอื่นที่เขาห้องแผนท่าไม่สามารถล่วงและเมื่อชายอื่นยิ่งอื่นแล้วก็มีสายฮะมีสายเออมีสัยมันเป็นกริยาตรงโตง นิสัยเป็นกิริยาตรงโตง้นิสัยที่อิงกับกิเลสก็มีนิสัยที่มมนมีอิงกิเลสก็คือนิสัยพระหานต์พระอรหันสาวกมาสิงะระดักอึดอย่างเดียวกระดักอึ่างเีนิสั ย, สยถ้าเป็นพระอรหานก็เป็นนิสัยตรงโตง้ไม่ไม่มีกิเลสไปสิงนิสัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละได้ทั้ง วาดชนละด้เลส่วาดชนะก็รได้นลือดสก็ระดได้ถ้าพอดูถ้าพูดจริงส่วนทา้าววุฒวาดชนละได้นิอดส่รอไม่ได้ส่วนกิเลสอได้บนีเขียนรถมาตัวนะโออยังไหนอยู่เนาะบาดเนาะอันตรายวะเนาะ บอว่าเจ้ามีนแงคป็นเรื่องอะไรลดลดเป็นไงบกไปยืมรถยืมเรื่องเขา่าเขามันซื้อล้อกระตรองยืมเกียนเขามาเขามันซื้อล้อกระตรองสอบแท้ารือเปล่าเรนไว้ได้เฉองเขาบอนทุระก่อนเรนไว้ได้เฉอาะคาร์บอนวัตถุสาเขาสอบเองอันนี้เข้าจัดเป็นประเภทยืมการย่างมอเตอร์สูไห เพราะเขามีสัทาเอง่าจะเป็นตัเดอยู่เหมือนกับว่าอะไรเพอเขามีสัทธาเอามาอะคัดเาไม่ปลกอาอันไหนคัดเกา่าคัดเก่าคัเก่าก็แปลว่าค่ายอยท้อลงปล่อยวามันเป็นคนละอันคัดเก่าเป็นคนละอันทำทรนั่นนอืมทำพวกกูกันไปอย่างบางที คัดเก่าหมายความว่าคัดเก่าหมายความว่าพยายามเป็นผู้สลาดมากน้อยเรียกว่าคัดเก่าเช่นพวกถือผู้ดวงเป็นต้นเช่นพวกใช่ถึงใช่ของกีวิมินถวัลย์เสนาสารเทพกับไม่ชอบรู้หลาพยายามตัดออกความรู้หลาเรียกว่าคัดเก่าเนื้อใายในฮะภายในก็ภายในเองเป็นผู้คัดเก่าก็จิตใจเองเป็นผู้คัดเก่าออกเวลาคาดเจ้าที่มีส่วนต่อร่างกา กพอดีก็ก็้างทีแรงนะแรงมากเลยอื๊งงเอาให้พอดีเอาให้พอดีครับตัวนันเองผมพูดแล้วเห็นไหมเลอหึเห็นไหมเหม็นไหมเหม็นน่อยมันออกมาเลยมันลงลงกระดูกลากเปนเส้นเลยใหญ่เป็นเป็นใหญ่เลยนะบทีเห็นไหมขึ้นมาเลยได้ไว่าวามวิตามนดหรือไม่เข้าใจ คนนี้นตามตามดูไปนะครับมันลงไปแล้ยลากลงเต้นไปเลยแล้วก็กรีดออกมาว่าคัดเก่าคัดเก่าก็คืออดทนในด้านภาวนากขาเรียกว่าคัดเก่าเหมือนกันแล้วคัดเก่าร่างกายคัดเก่าร่างกายคัดเก่าในการคําว่าคัดเก่ามีหลายอย่างคัดเก่าในด้านอาหารคัดเก่าในด้านใช่ครับน้อยคัดเก่าในด้านที่อยู่คัดเก่าใน ในด้านยารักษาโรคเดี๋ยวก่อนสันโดษ น, น้อยสันโดนดีด้วยอ่ะอาหารเวีนสบัดด้วยกีวามี ส, บ ส, สะบัดได้ใช้ศาสนาตามมีทําได้เนีวคัตเก่าอ่ะสันตุถีรถสันตุถีพระลังางานกําลงสัโดดเป็นทรัพย์อย่างยิ่งสัโดดเท่าที่มีอยู่เท่าที่มีมาโดยทางที่ชอบ ถ้ามันไม่มีก็ไปไม่ไปแผ่ไม่ขอเรียกว่าสันดดษเหมือนกันถ้าไม่มีก็หาเอาจนได้แผ่ข อ, อจนได้เรียกว่าไม่สันโดษอ่าเช่นพระคิวบาเจ็ดวันถ่ายจีวันเพื่หนึ่งเจ็ดวันถ่ายผ้าไตข้างหนึ่งข้างหนึ่งแล้วจะจัดว่าสันโดษไหมก็จัดว่าสันโดษเหมือนกันเพราะสันโดษตามนี้ทําได้ เขาท่านแม่จะไปแขลไปขอเขาท่านก็สันโดดตามเล่าของท่านยดวันนึ่งทายผ้าไกล่หนึ่งกี่หนึ่งผ้าเก่าเอาไปที่ไหนก็คงจะให้ท่านผู้อื่นคงจะไม่เอาเผาไปเผาไฟทิ้งท่นนี่นั่นจะว่าสันโดดไหมก็ว่าสันโดดก็เพราะทำตามรา่ของท่านเรียกว่ายินดีตามมีตามเกิดมันมันมันเกิดมาด้วยความท่านมาไปแผลไปขอเขา ท่านก็ทําตามเรื่องของมันตามสันโดษเราจัดว่าสันโดษเหมือนกันสำนักผีปรมังธนาที่พวกเราอยู่ทุกวันนี้เขาเรียกว่าพวกเราสันโดษอยู่เหมือนกันเพราะเราใช้ตามที่ทาได้ที่มีมาตามสํานักของเราไม่ได้มีใครไปแผลไปขคะอะไรเขาเราเรียกว่าเราสันโดษเหมือนกันอย่างขัดเจ้าอันใสฮะขัดเจ้าอันใสอันอันใส อนุสแปลว่ากิเลสคัดเก่าอนุสัยกับคัดเต่ากิเลสก็อันเดียวกันนะอนุสัยที่มันรอนเริงอยู่ในคันธาสันดาลจ้องปัญญาวิปัสสนาคัดเก่ากนแล้ัดเก่าเอาเป็นเอาเป็นมาเอนกคตาเอาเป็เก่าถเพราะว่านั้นรวมเลยแค่ในเกัตาเป็นสุดที่มาเน สมาธิเขาเรียกว่าคัดเก่าเหมือนกันศีลก็เรียกว่าคัดเก่าเหมือนกันปัญญาเขาเรียกว่าคัดเก่าเหมือนกันทานวัตรก็เรียกว่าคัดเก่าเหมือนกันสีวัตรภาวนาวัตรเขาเรียกว่าคัดเก่าเหมือนกันคําสอนแต่ละวัฒนวัฏฏ์เป็นเรื่องคัดเก่าทั้งนั้นแหะคำสอนคําสอนของพุทธศาสนาเรียกว่าคัดเก่าทั้งนั้นแหะค่อยๆกับคุณหมอมารักษาโรคเขาเรียกว่า คัดเกาลอกให้ออกมันการวางยาชนิดไหนก็ดีแล้วมันจะถูกหรือไม่ถูมันขึ้นอีกขึ้นอยู่กับผู้ฉล า, าดวางยาอีกขึ้นอยู่กับโลกอีกแล้วแต่ว่าจะรักษาก่าใช้สมานที่รักษาโลกมันเป็นเอกลักษณ์แต่รักษาโลกรักษาแบบกระบวนการทำทำทาสองโดยจุดการถูกเออมันก็รักษาโลกได้เป็นบางประการบางประการก็รักษาไม่ได้ถ้าโรกเป็นวุฒิกรรมแล้วรักษาไม่หาย เช่นพระบรมสาสตรายอย่างนี้เวลาท่านสิ้นลมปานก็เปนโรคลงพระโลหิตเพราะชั้นอาหารเนี่เขาไปผิดกับโลลรคฤทธิ์หลวงสวรรค์ของของท่านถ้าคัดเก่าได้ท่านเขาต้องคัดเก่าออกหมดถ้าตาลังด้วยสมาธิใครจะเกี่ยงกับพระบรมสารีรานี่มันเป็นโรคบุพกรรมมันก็ไม่หายถ้าเป็นโรคที่มันมาเกิดมาพลาดไม่ใช่โรคบุพกรรมมันก็หายถึงไม่คัดเก่ามันก็หายขายจากโรคหายจากยา นอกเป็นเป็นกระบวนการในการทําของบรยสุทธิ์เรียกเรียกรียกว่าเป็นกระบวนการทําของบริสุทธิ์ทำฆ่าระเบิดสุดต้นเลยทำไมพอใจคําถามเนี่ยหมายถึงว่าั้รฆัาเก่าเนี่ยถ้าจะเรียกว่าเป็นกระบวนการคือขั้นตอนนะครับกระบวนการในการทำฆ่าทะเลยสุดก็ก็เป็นตัวเดยนทั้งนั้นครับอืมคาทักทักหมดเลยนะอืม บางท่านว่าภาวนาให้าหา ย, หายโรคมันก็หายเป็นบาง้างบางข่าวเอกราชมิงสมัเนาโผโขันลานั่นจะกัสปังพิลานีดุเกรย์ตัวอ่โคัเทสตีสิเสหลังนีอันีตัวโ ร, กรโวคกริงสุดเียโรคบางชนิดมาพิจารณาธรรมะมันก็หายโรคบางชนิดมันก็ไม่หาย้โาโรคอุปภัมที่ตามมามันไม่หาย แตผผ่ผมดูนะครับเปรียบเทียบสมัยผู้ประการกับปัจุบันถ้าเกิดว่าในสมัยปัจจุบันนยะทางวการแพทย์ก็ช่วได้เยอะอย่างนี้สา ม, มารถหมายถึว่สมมติว่าโรคอุบัติกรรมเกิดขึ้นใช่ไหมครับอย่างการณีของปู่โรคอุบัติกรรมเกิดขึ้นแต่สมัยนี้เทคโนโลยีสามารถช่วยได้ก็น่ า, าน่าจมามาปฏิบัตานคนไ่ได้ท้แล้วนราก็ ยาบางชนิดเขาก็ช่วยได้บางชนิก็ช่วยม่ได้ถ้าเขาใช้ช่วยได้มดทุกอย่างมันก็ไม่มีคนตายเหมือนกันอืมภาษณ์ทีเหมือนกันถ้ามันนัเขโรคได้ทุกอย่างก็ไม่มีใครตายก็ ม, ม, ยมีแต่ไายโรคแคราบหมดนะได้แล้วโรคอื่นก็ม่มี พิสุพิสุู้เป็นปูติพิสุเคยได้ข่านกข้านหนูมาในชาติก่อนเนาะนิสกุลร่ากายเปื่ยอยออกพระบรมศ า, าลาไปสงนามให้กพระอนุนเพื่อภาวนาเรื่องเข้าไปเลยทำให้พญานิรุพปกรรมบาปที่เป็นนิรุพบกรรมมันเข้าไปหาย เนี่ยผมเคยต้องอให้หลว่นครบป่าเจอเขบอกว่าไดลงมันก็ลงทองได้ดเขาครอบบันเขาครอบันทองหายไม่หายมาฟ้าพะโลโคโลกเป็นฝนแห่งแบบได้แก่ฤทธิ์เสดวงม่ต้น <c oughs> ข้ามาให้บวชตนนี้นกัยปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก็ต้องสามารถได้ท่าบะไม่ได้ขาดเลยครับท่านอยู่ตอนฤทธิ์เสด็จ เขช่วยได้แต่บางบางสิ่งบางอย่างถ้าบุคคลคนนั้นมีคำมากเขช่วยไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าบุพบร์ ค, คของบุคคลที่สร้างมาได้แต่บุคคก่อนอย่างนั้นบั้นก็ไม่หายอีกเหมือนกันเนื่องจาพระบุรุษมศร์จึงวางเพศรศแรกบ้างถ้าภาวนาบ้างาเพรายนั้มันก็ไม่หายลงบุปบค์คำมาหาย โรคไวรัสพยาธเราลงบ้างโรคบางอย่างก็หายเอาไปงตัวไปป้าไป ย, ยังหรือตัวมาจัดเยอะเนี่ยตัวจะพัาสพต อันเดียกัขคร็บาวภาษีขึ้นอันเดียกเขาเขาว่างกับเว่าพบกคือเขาเพราะว่าเขะบาทพรเจาบอันละเอียดครบอันที่เขาาาษีชาวภาษีกบอกว่ามันพบพบอันละเอียดนาันมันนั่งพวังหืมนารักน่ารักือคเป็นพวังธรรมดามันเขาว่ารักแต่ธรรมชาติของมันพวังธรรมดาย์ั้ รักทั้งหลายทรักตัวได้ก็มีแต่เงาหลับเราว่างเขมาศาสตร์ของนอนครักรศาสตร์ก็มีพบนอดในวันเหรอบอกเาอย่นี้เขาว่งางกนเพาะท่าเนี่ยเนะ า, าพบนอดนอนพบที่มันหลับออนนะมาหลับไปจัดพบนอนพบันห น, น, น, น, นึ่ง พระหารพกรจงลูกพัดสิรับพัดกระลูกพัดตื่นพัดกรลูกไม่ได้ร้องรับร้งตื่นจักบัดหอดบัตรสิรับเดี๋ยวนี้็รับอยูอน้อจงย้อนนี่สาคัารับอย้อนน้อังเพื่กจักมันจะร้องรับลงองตื่นพละทหาร่วะาหัรจะพวงได้แต่สั พระราหั น, นว่ามีค้นฟ้องส้ อ, องเก่าพุรลงสี่อบวนไม่ใชทังสี่เลยพวกเรากนี่ยพุ่มลงสี่นี่สาคัญตัวเป็นพระราหันพระราหันต้วงมาจันทาวาขบวย่อมในม่ว ง, งพิลึกเซีนปราสาทเลยนี่นนมอวแก่กบันย่อมเว้ยผมเป็นนกชาหลวงประชาร่วมต พระราันก็ตื่นนะพระรามของพระรามก็ตื่นเบ้อภิรุตอชัมพี่อนุตราสีอัราชยุทเ น, นี่ยอยู่ในศาสนา ส, ส, สูตรมะอาอะไรอยู่อภิรุอั้มพี่อนุตราสีอัราชยุทให้คนฟักสยองเก่าแล้วว่าอพระอินทร์ยัง พี่ชพพอุตตรีปราชา ย, ยี่ตีเนี่ยพวกยังคนพ่อเสี่ยงเก่าอยู่พวกเหมือนกั่นระลึกถึงคุณพระอินก็ดีพระช่าพระสวาก็ดีวรุณราชสวาก็ดีอีสานสวาก็ดีะไรจะหายกวัวบ่ามาหายกลัวบ้ามาพราพวกนี้ังคิดอห่าไตัวพอเหตุไดเพราเห็ุว่าผ ว, ว่าให้ผจากว่่ทสามหาอะไร ไ่ใสั่นนีโกวาลังสามาททวิทาสันสุปโตโลกวทูุตรวิสารสัรชิตาติอนุสนตักิเหตุตัวตกิเหตุเห็ไตาตรังสามาทุทวิทารพ่อนตมโหอล้พี่จตรสาสตรีพระาหติพราเพราะั้นพพระองค์เจ้าคดีพรดาบันคนดีสัข่าฆามีคดีอน้าามีคดีคนทองส่รงเก่านี่นอยแล้วงแม้ว่มนพลาันกัน เนอว่าสุภิตก็วสาวขต้องันบ่ได้ลึกถึงพระสวัดิบันไข่แล้วลึกถึงสกทาฆามีก็เลยลึกถึงพรท่าฆ่ามี่ข่ถึงช่าน้าามีแล้วสังกัดห็ดลึกถึงพระานเลุนี้ขุณฟองสองเก่าไปแล้วค่อาจา์หะคจนพระองค์ขาดเลยอะยุปจจนาสมาโตชาตรนูัตกโนกโรกนรรโนกโโ มามังหวสุกุยนุตระตังจัเวัวิตยมลัยคัมภีร์ัดทังวรวงศ์โสภะโสภติโนเจมังนุตระยาาถธรรมานุตระยานทรื่ถึงคุณพุทธประธรรมเมืขืนเรื่องถึงคุณพุทธไก่เรื่องถึงคุณประธรรมว่าสัทธาตาสรรมโอชัติโกกาลิโกเอนปาติโกโอาตังเรียกตวป็นโยนี่ติมาังวสุกยานุตระรทังวิตปยมลัยคัมภีรทัดทังวงสภะโสภัญญติโนเจมังานุตสะยานาถธรรมานุตระยานะ คือวาขายรองเรื่องถึงคนของพระสงฆ์ะนตโนกตัวาโพบโนกตัวย่างยตโนกตัวราโพิโนกตัวรางยาึานตปุตรบาจะตงัวเางอานนโกนยจินอันตรนนี้ยรคนยดเ็ดงโลกัาิังตัวนุรงมที่กัง่าเี่ โมบีว่ารังโวาโตติคิดเหตุาทอสมมาสมตวรโวตโตวตโุิน์ตรสระหวมีวางนั้ัวนวนั้จัรังเตเยรูกมยบัมุตรงเงตาโนทุงะาโกเตนาะท่ตังมังะนานกังสุเติงโเจตังมังะทยานกังสุต ก็เลยยาปคุณนยากเสียกันอนตตรังเรวันุทธังสัลตานังทำบาั่งกันแ่จวกอยังวากันทกัดกนวารวมมาข้างเหตุก่อนที่เนนะมุตัว่าเขาบ่ได้บอกใ้ิบสองตำหนักนะทองร้ามที่นาที่เซ็ตก็รอน่านกับตำหนักทองมันสังกุบไ่้พิษตะยิบไว้พิษตะกู สังโยคกวาไรมาคตรพระกวาไรจนมหาสมัยสูตรว่าไงสังโยก็มาค ร, ร, ร, รว่าไงาววาไเพราะมันบริ ส, สรุทมาครตกงมหาสมัยสูตรพอันอนัตระรคาสูตรจงก็สวดมาโคตมหาสมัยสูตรม็สวดสังโยกเนี่ยก็ไปหันกลับพระสัมมาฯนีเราละระ อาเทเนสาธุสมติอัมโนเสห์หิจัเิสาริิสารวิปริสานัจะปัสะมหิุุทธิยายัเเสสีมหาวิโปิสันตันานามหิที่ปิสธธัตะูสันตวยปินะคับปฏิสังตนัตตาสนตาโนนะุตรกัมพีวิาสิสมมยติยัง โดเทนหากระโบทฆ่าังยัน่าเลศิังเสนเถระสังกุริมาละโลภะเระนติตังกับปัญญามหาเจตังตฤทิตกันทำปมนามาเยนเดชโทฆาปริยาญายาชาโทนาิานาวิสันิจะปานัยีวิตาวโรเปตางเถรสเสทิเตีวหวตัวสดทิขปัวาสาเถระ้ไปหัดกัสรัศเรศสันตานังสัารุาวิราเนสกะจำไม่ทำเมื่อบททางเกมาใเสนามัสสโนบุติถวายเมสัตติ ว่ามุตกุตมาญาติงะนาติลาาดิ้งับอจฉราพยาทิ้งอมาตังเนัากรต่ายเองมาทคโมนเปรตตงอันนี้ก็สุนทรังางอดสนจิตากมันสังขด่างกันดพระาวิย์ดช่างโคตรที่สังฆตุก็มสมเโเงก็ท่าธรรม้ทานีะ น้ำพัฒนาเนี่ยน้าติพัฒน์เนี่ยน้าติพัฒน์เหมืนกับแปรยอดลงมาโอเหตุปัจจยเหตุทั้งหลายเป็นปัจจัยอารมณ์อารมณ์ปัจจัยอารมณ์ทั้งหลายเป็นปัจจัยอาเที่ปฏิปัจจัยเป็นอาเทียบดีเป็นปัจจัย เก้ทั้งเหตุปัจจัยไอเหตุตัวนี้คือเหตุเหตุตรงัดหรืเปล่ที่เป็นมกกัดก็มีที่ไม่ใช่เป็นมกกัดกตอนนี้ปปเหตุตัวปยเหตุเป็นปัจจัยคำว่าเหตุเป็นปัจจัยเหตุไปในทางกุศลหรือทางอกศลดเหตุไปทา ง, ทา ง, ง, ทางมัดหรือเหตุไปทางฝนมันต้องขยายอื่นมันเป็นทั้งกลาง อารมณ์นับัจจัยอารมณ์แบ่ปัจกิงอารมไปทางการมาราผลหรือไปทังทังโทษสัมงหรืออารมไปทังมรรคผลมันก็ตกอย่างแบ่งปันมันเป็นกลางคือขนทางนะนทางไปทางผิดไปมรโก้อันว่าคนทาง่ะมรคโออันว่าคนทางแต่ขนทางไปทางผิดก็มีขนทางไปทางถูกก็มีขนทางไปทางโรกีก็มีนทางไปโลกุตรละก็มีมันเป็นขกลาง คำว่าความเห็นก็มันกันทิฏจีป่าความเห็นความเห็นไปทางผิดก็มีความเห็นไปทางถูกก็มีความเห็นไปทางโลุะก็มีความเห็นของพระสวัวดิบัลก็มีความเห็นของพรศาสากมีกีความเห็นของพรศาสดาก็มีรงีความเห็นของพะลานก็นีน่ะมันก็แปออกไปอะไรเนี่ยอย่างีบอกตอนตเป็นตอนท้ายที่ว่าาจารยอย์นัายนพปันะทานระนพปัญญามะวะไห่าข้าปิดปัจจัย เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยยธชาติาัจจะโยชาตพนาปัจจะโยชาติที่เป็นโลกีก็ไม่ชาติที่เป็นโลกุตละก็มีชาตเป็นผสมชาติก็นีพุทธิชาติก็มีสัตติชาติก็มีจตุตระชาติก็มีอากาศชาตินั่งใจก็ตาชาตก็มีวิญญาณ์าัใจก็ตาชาติก็มีอากินมิญญาณ์กตาชาติก็มีเนี่ยสัญญาณสัญญาณุตลชาติก็มีมันก็มีหลายเนว่เด็ชาตว่าชาตคมันเป็นกลางกางันชาตานั่งไปว่าเพ่นรูนี่อันนี้การติดนี Hmm? คําว่าการิพัตยโยหมายถึงว่าการติดอยู่ใาตนี่แหบก็ติดก็ไม่ว่าไม่ติดก็ไม่ว่าแต่ mm hmm. ว่าคุณทางมันเป็นไปอย่างนั้นมาถึงต้องต้องต้ององินทร์อาศัยแต่ว่า ย, งงาายังให้อินทร์อาศัยกันี้อิทร์อาศัยชาติพัตยโยพูดที่จะติดชาตาด้วยว่าติดชาติมันก็มีอีกเรื่องหนึ่งผู้ที่ยึดถือว่าชาตเป็นตนหรือตนเป็นทางอย่างนี้มันก็มีแต่ว่าคุณทางมันไปทางนั้น เช้นพุทธันตีอย่างนี้ครัพระหันกินก็เป็นแบบหนึ่งผู้ทั่วชนกินก็เป็นแบบหนึ่งคุทธันติแปลว่ากินภาษามรตกผู้ทั่วนกินโอ้ยแซ่บเองเพราะว่าทระรนกินพระสงจังกว่าแซ่บพุทธกันว่าพทบวติษฐ์เขาวติษฐ์หอมที่ ทั้งเหี้ยั้งใจอใจคือบุคคลยังเสีะบุคคลอุปาปติเนี่ยบุคคลออกบุคคลเป็นกสุธาบันมีบุคคลเป็นกสุธาข้ามีบุคคลเป็นพลังหานมีก็มีบุคคลเป็นพระปฏิเสธก็มีบุคคลเป็นพระสรรมท่านพระเจ้าก็มีบุคคลเป็นโรกขีก็มีบุคคลโงคหมอลกก็มีบุคคลไปสวรรค์เนช่ยนโลกขีก็มีบุคคลขี่โรคก็มีบุคคลขี่รักก็มี เกดนกว่าเป็นขน้าบกของบุคคลปุ้ยเขาปฏเสธเนไมสอไม่ไดนะทไ้ท่านไม่ปรารถนาท่านไม่ปรนาสอนใครถึงอย่างนั้นท่านก็ยังเป็นที่สองผัสสมาถึงคนิ่เก้าอยู่เพราะทราบวาร ม, ามีมาอย่างนั้นท่านไม่ปรารถนาจะสอนใครเลยส อ, ส, อสอนไม่ได้เพราะว่าท่านไม่ยินดีในสอนเพราะมันฝืนมันฝืนปฏิปทาของท่านท่านก็ไม่ทา นผู้มาสาบาทแล้วพาท่านเอาหัวสัครั้งเอาหัวสัก ค, ค, <c oughs> ค, ครั้งเลยไปเลยกระชุบก็ะชุบเอาหัวสุกครั้งเอาหัวสุกครั้งเลับไปเลยถ้ามาแสดงให้แต่ว่าถ้าท่านฟังเทลงเขาอยู่เขาร้องเพลงตาข้าวดอกไม้ในเวลาเช้ากวกบาน แว็นา้าวันตะวันเย็นก็เหี่ยวท่านก็ส่งทําลงในอนิสงังทุกขังอานาตาท่านก็เป็นพระประเจดหอไปซะเขาล่องเพลินเต่าเข้าอยู่เฉยๆหรอกเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะ ป, ประเทศพระพระเจกเขาล่องเพลินเขาอยู่เฉยๆท่านน้อมมาเป็นธรรมะท่านก็เลยหอไปซะเพราะท่านบารมีท่านเต็มได้หรืเ่าเช่นนางบุญวนว า, นาเคยเป็นแม่พระประเจด ถึงห้ารอยพระองค์เคยเป็นหมหาเกาะห้าร้อยชาติเคยเป็นนางสาเพณรีก็ห้าร้อยห้ารอยชาตินางสุนางอบนนาุบลวรรณาเขเคยได้ดา่านางพิชณีของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนว่าีแม่จ้างอย่างนี้ก็เลยถ่ายจากพระน า, า, า, ามาก็เป็นแม่จ้างนี่อยู่ห้ารอยชาติเคยด่าพราะเพราะพรานางพิชณีของพระเจ้าองค์ก่อนอีก อยางหมาอย่างนี้ก็เหมือนกันเกิดมาเป็นหมาอยู่ห้าร้อยชาติพวกะขิดาพระเจ้าพระสงฆ์มันเอาการอยู่พวกนี้ก ท, ที่จารณาไปครั้งหนึ่งหน้าสังเวชและเกุศลเราพระยุปา ซื้อไปแต่ผิดอย่างนี้จะเป็นหนกถ้าม่โทษทหารที่เป็นนึงเ็ือนขนาดนี้โยเอาการด้วย้วเขาย้ำแต่ครั้งแกองบอกว่า ก็มีที่ว่าำทำได้ชาโลกีนะนั้นสามารถธนาคารเป็นเงกนได้รือสีเขาได้ชาโลกีก็ใช่แต่ฝากหาคุณเ พ, พราะคือสีเขาได้ก่นีนมนันเป็นาเียนเจตนาเป็นเงิน ก, ะกระดาเ น, นกระด้ทนทีเลย ถ้าเขาเลื่อมสายมันก็ได้ถ้าเขาไม่เรื่อมสายมันเขาก็ขอ เ, เปลี่ยนไม่ได้ความเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับเขาไม่ไม่ใช่เป็นกิจกับพเราอย่างที่ว่าเขาต้องก็เป็นที่าเป็นาโลกี เวลคตปะนักท no ีคตปะขยะคตปะ乌鲁เวลาคาตปะมีบริวณห้ารอยนัท<Kas per 便>ีคาตปะมีบริวณห้ารอยขยาคตปะก็มีบริวณห้าร้ม่ไ้อ๋ออันนี้เป็นทางบับไม่ใช่เป <about> <iles> ็นานโลกดีไม่ไม่ได้ าามพดหน่อยสามลอยแน่นอนมันเ น, นี่ยมดจุกนมันเป็นท่าามคนก็พหนาเนาะแม่นะมมดจุกน้ม น, นมันเป็นท่านสามคนก็พอหนาเนี่ยการเรียนการะปฏัตอืมา ก, ม า, ก า, ระะารเรีนการัติ ก็มีรสชาติอันเดียวกันแต่บัานพิกกันพิกกันทีรักทิถือลักทิ ถ, ถือพวกนี้ถือวิธีรงอาบน้น้ำนาบาบอย่างบา น, นอาจารย์จเจ้าลามโคตรบันั่นเป็นรักธีเรือสีแต่เขามาถือวิธีล้างบาบพวกนี้ พื้นวิสีภาวนาอาหารคงคิดมากหม่คนไม่โนแต่ไม่จะกล่าวลาราบทุตากลาบทลาลาลาบทรามบุตรลาราบทลาบมาโคตรวุฒกะดาบทลามบุตรพวกนีสมาวัตรแปดลาบมาโคตรสมาวัตเจ็ด ก็จำเปนเปลีอันนี้จะได้รออที่จะประมาณได้นะประเมินอนนครับก็เป็นวอย่างาดม่นะรแเทีจะเป็นลักษณะของเข้าในโลระที่เป็รับ่อะลพวกนี้เสนเราเส้นลำรยแปดมือสี่พันกับพวกนี้เป็นโลคียะเป็นสมาธิในโลคียะสมาธิ 8ดหมื่นสี่พันกับมี อ, อันนี้สูงแปดหมื่นสี่พันกับก็มีพระพุทธเจ้าแม่จำกว่าแสนนะเป็นแ ม, าา ม, ม่จำกว่าหมืนแสนม่ตกว่ามื่นพระองค์มืน่นร้อยมืนพรองค์โมหลายแสนพระองค์จะเป็นโล ก, กีลกุกถ้าอย่างไม่ใิ่ลำพาถ้าไม่ไม่ใินลำพานก็สามาร ถ, าารถเป็น ว, วัสดุได้ ให้ประโตดังถ้ายังสิ้นลมปราณพอบารมีศาสภาประเทศก็จะถึงประสดาบันแล้ว้าสิ้นลมปราณไม่ไม่ไช่วยได้ถ้าสิ้นลมราแล้วจะา่าเชื่อวได้หมตายแล้ช่วยไม่ได้เขาประเทศเขาไม่รู้เรื่องกันกพเขาไปเสวยฝนบนเขาอย่างแล้วอย่างกรณีที่ว่าพนางที่มหาายาที่เป็นมารดากือตายไปแล้ก อก่มอต้องมหหลังสามารถไปโรได้ต่ก้เพราะอันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นอันนี้ท่น า, านปะเป็นมารดาของพระธรรม่าาพุทธเจ้ามาแต่ข้างเป็นกาเผือกเป็นมารดาของพุทธเจ้ามาแล้วถ้ากูท่นโท โกนาคมโนกาจโปโกธโม ย, ยังอาริยะเมตัวใส่โอเท่านั้นเพราะความบัดรนาของท่านสร้างมาอย่างนั้นที่พระบรมศาตราก็ถูกพระสงฆ์พูด ทำไมจึงไม่ให้ข้าพระเจ้าข้าพระองค์เป็นเอนฮีเพือผู้มธาชำระบ้าทำไมจึงไม่ให้โกนธัญญาล้าปะพัทธิยะมหานามะหรือองค์ใดองค์หนึ่งหรือผู้มหาคัตปะเหมือนนั้นมาเป็นชวโกบางสายบางขวาเอาพระโมฆคลาสาร้บวชมาเป็นชาวโบางสายบางขวาซึ่งบวชหลังโกนธัญญาว้อปะพัทธิยะมหานามะพระองค์ลำเอียงบางท่านพูดอย่างนั้นแล้วไม่ลำเอียงหรอก พวกนี้ปรารถนาเขาพวกบางใต้บางขวามาตั้งแต่พระเจ้าอนุมรัชชีนะขุนพระบรมศาตราเขาไม่ลําเอียงที่เราบอกเองพี่ครูธรรมทานนั่นก็เขาไม่ลำเอียงเพราะพวกนี้เลยเคยทานบริขารมาแต่พระพุทธเจ้าองค์อ่อนก่อนก่อนให้เขาแปะให้เขาบริขารแปะข้าพระเจ้าจึงเรียกได้ถ้าเขาไม่ได้ทานบริขารไว้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนข้าพระเจ้าเขาเรียกเขาไม่ขึ้นข้าพระเจ้าก็ต้องอาศัยวาฒนาของเขาเหมือนกัน ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าจะเรียกได้ยัดเอาพระพุทธศาสนาเ<ง>ขาได้ทานบริสันแปดพบพร้อมมาเนียพระที่เจ้า อ, อ, องค์ก่อนเราจึงเรียกเอนีที่ พ, พระจำพรรษามามันจึงเรียกขึ้นท่านพูย่านถ้าเขาไม่ได้ทานเราก็เรียกไปขึ้นแล้วอาศัยวัฒนธรรมเขาเหมือนกันสร้งมาสร้างมาโดยพามารามโดยเฉพาะมรดยันพระอนุนิหนึ่งเอาลูกลูกอาน้าพ่อของตน มาเป็นผู้อุปถากคนอื่นมีสัมป اي ทำไมไม่เอาเออพระอนุนก็ปรารถนาเป็นพุทธอุปพระถากมานานแล้วมาราชารับคบแล้วก็ เ, เอาตามนั่นเองนะบรุมศา ส, ะสะรารก็ไม่ขาดไม่ใช่เราแจงให้เป็นเบีย์งโูหโูและสงก็บันดาลแจกให้ด้วยถ้าเป็นพระเบทยํ์ดอน พระลาหุนก็คือเด็กชายชาลีนั่นเองนางวนวนนาก็คือนางกันหานั่นเองพระตบมาชาติเป็นพัธมาทพอุเชษก็นายองค์บนเป็นนางอวนวนนาสมหับนั่นก็พราม์ก็คือนางกิจจิ น, นั่นเองต่ อ, อนาง นอมิตรตาก็คือนางกินสีนั่นเองพระเทวทัพก็คือาพาบูไปผอกันธาชารีนั่นเองพระอนุนก็คือนายพานเ็ตตะบุตรนั่นเองโมงงนะนี่พานเจตะบุตรเป็นไมบวุนนหน้านานะพาะอนุนตัวเป็นผู้รักษาประตูพระหิมหาน ม้าเน่เยมอญอ่นนายนุ่นพะนุ่นเด้พระจุดตลกสีมนพระเจ้าพระเม่นภาษพระสารีบุตรผู้ดุเป็นมอนดูนั่นคือพระโมคล่านะ่นนี่ตัวทำพิับพระเจจารเลยตอนตอนพาะนุ่น ก็นะจากบังครับรือไปซก่ได้หรคนฟาตุโตะทคนพอบราณศินใตัเป็นุโทะนะคนหน้าพุทธดียังเป็นหน้าวางยเขาเจ้าคนหน้ามาทธิเป็นหน้าเพพาคนพอชนะเน่ย ถ้ามันยังไมเข้าเขาขบา้าไรเท่าไหร่นนหมดถ้าเขาใจร่ำฟ้อนั่นมาหน่าเลยถนะ้าเขาใจพิดกับพีมนนนบ่มากเลยนระเจดจักรวุฒิขารุธตะโกนเห็นหน้าท่านเนี่ยใือเสือสัตวันทา่าเนญาหเบอ่ขาดไว้รักษาประตูไปใี้มาพานนะแล้วก็กินเนื้อกินซื้อเลยจับตั้งขาเขาถอยเหอันกะเด็นือยกรแดดยบเข้ า, ข า, ขาไ พาเถอดยสักถาว่าเป็นเขาไทยเขาทงมีคลุตตะโกเป็นน้าผ้าเนือมีอเป็นพระชันหนาข้าวจักนะจะสวนสาริบุตรหมกขนาดหน้าอขคักตัวบกขนาดเป็นมอดูเ่จะสาริบุตรเป็นตยุสามิุเรลยนเกิกุตตะลัเสีย ไม่ใช่มาพัก huh. ช้น <cuad> น <tercer> ้าคือตัวเขาบกเขจไ่จ๊าวนพ่าชั้นห้าขาผมไมงจาบเาเาเลี้ยงาบพักชัานนพูนึเขาคงจ๊าบอ่ชจ้าพ่อมาก่ะที่ะ นึกว่าจะแมนโบ่เจ้าขัดออกมาเยอะจังเกมเม้นก็โฉบไปเจ้าโบชวนมาสนานเขาเข้ า, า, าขใจว่าเป็นภาะาตริบุมาน้านแล้วแล้เขาใจเฟี้ยมา น, า น, นานะ้ากันรอเพราะเขาเข้าใจว่าฝันมาหน้าแหละป้ากีแล้วแ้วไม่เข้าเขาใจเฟมานานเ้มขาใจเฟี้ยแต่ะนาเขายังคืนบออกกันมันมันคื อ, อ, อ, ง อ, องไง เง้าคือภาชนะอ อ, อ, อ, ออกมันกระจดมันมันมั น, น, นมันเจ็กับว่าหลวงพระอารมณ์คือแเงคือภาชนะบอกออกพราโมฆเ้าคอดม้อหม้ดูอะไรตัวเขก็เริ่มมาซีซ้อนใต้เปิดชุดโทษคนะ่วนพามเป็นพระเทวทัส่วนนัางอามิตรต า, าเป็นนัางกิจจิ จิตจมานิจิตจมานิการมันต้อเดือกันนาต้องจะเชื่อมันจะเข็มนออกไ่ได้ไ่ได้ม่ได้เานี่ยอืมน้องมิจตานี่ี่ลอืมน้างม่จตานถ้าไปพระเวททันนอนอยน้ำีตมาแเนอืมน้ำที่ทำไมถึงไตกมาบเนี่ยเป็นอะไรก่อน ไไไเียนงจิบจิมานี่กลางอมนฮะเด็ไหครับอนางิจิมาเนี่ยสาเร็จเราลงลงอรคเดซคนี้จแล้วนงอะไรนะที่ว่า น, น่ากินจีกเหรงน่ากินจีนเหรอถ้ากันไปเสือยังเอาพัดเขาไปเสื่อยังก็ไปเสืยย่อทั้งใดไปเสือทั้งน้องข่อกบรออือเสื่ออะไรทั้งไร ตั<ไ>ง้งมุวกวะ ม, มันต้ อ, อ, องปอกเกืออืมการทำมานเป็นคาเตการที่ดีเราทักจะทัาเสียสารเพระน้นเขามาบวชนัพระองค์บห นึกถามธรรมดาเลยรักเที่ยวถาก็ค่แปลงเพลียเป็นแป้งเพลีเป็นไสย น, ไน้มน่อยก็ได้แปลงเป็นยังไงหน้ากา็ยังพอหน้ากางูา ย, ย่างอก่างลูกเลยรสอะไรแป้งแปลงเพื่ได้กคุ้นกับากอันนี้มัน ชูกันได้พอวะชูุดก็ได้หอห่อห่ขอขอุดก็เป็นสายสายสายนักไปหนักไปสายสายขุดก็เป็นหน้าสายสายมีแรงไอตีมุตตะการดูอาิบาตครับ นถปุ๋ยสังสายอาชีวะครับนวกขยันนักขยันยอีน๋ยวนี้ไม่ยู่นักร่างเสียเหลวเป็ น, เ, นเรือ่องาดาบ่ต้อาแรงเปลี่ยกายแหละผมนัก เมื่อพระไตรปิฎกครบมันเขาจะทานของดิบทานของไม่สุกสารภาพกิน มันก็ชิ้นส่วนทายเป็ น, ย, นย่นานี้นะครัูแมวหนอกคั้มที่ได้ยังไง้างรันอันนั้นนี่นะตัใจเปดูกคือว่าเงาเป็นตัวกับไบบคุนยิงคนหนึ่งเรากิ็นลูกกันแบบมาดูเรเื่องที่แต่ช่วยได้ไหมมองไม่ออกมองดี่ออกเลยครับ นักเนี่ยมั้งแต่เขาไดมนุษย์น้าพว้เกษพระสสดาบานเราไม่มนุษย์เป็นที่ไปท่านไม่ยอมไปไปเนือืองมันจะเกิดอีกสามสาตวเจ็ดสัตแต่ว่าไปอยู่นือเองน้าสร้างวาสัแท้วัานะนักเนว่ามั้งต่เขาไดมนุษย์น้าไม่เหรอผู้นั้นปกติถูกกินพวกของดีเนยก็ดีต่างเหีุมาได้เจา